จุ้งอกูจุ้งม pues ah ีอะไรที่จะภายในเจ็ดวันเนี่ย ad ก็ครั้งที่สองครั้งแรกก็เข้าเข้าออกออกนะคะในหาผู้ดูแลด้วยครั้งนี้ก็เต็มเวลามากขึ้นตอนแรกตั้งใจว่าจะเข้าห้าวันแล้วก็เนื่องจากยังยังมีงานคงค้างแต่ว่าอคือเข้าใจคําว่าศรัทธาและภรรษานามากขึ้นตรงที่ว่าเอเวลาที่อืม เรามีจิตตั้งมั่นว่าสิ่งที่รับได้ยินได้ฟังมามันน่าจะได้ลองปฏิบัติแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นกับเรามันเป็นกําลังเป็นกําลังทำให้เรียกว่าถ้าปกติเราจุงจัดงานใหญ่ขนาดว่าอาทิตย์อย่างเงี้ยอีกวันตุนจุนต้องอยู่เคลียร์เองคือไม่วางใจให้คนอื่นเคลียร์มันก็โยนทิ้งไปเลยเห็นไหมเพราะอ่ะใครจะเอาอะไรไปคืนไม่คืนใครจะเก็บตังไว้ที่ไหนเรื่องของเธอมันจะกี่แสนฉันก็ไม่รู้เธอไปหาที่เก็บกันเองไม่ต้องมาฝากฉัน ฉันก็อยู่ข้างในเธอไม่ต้องมาตามฉันก็เข้ามาเลยซึ่งซึ่งก็เป็นการประสบ <_ D> ประสบควาสมสาเร็จครั้งที่หนึ่ง<_ D> <_ D> นะคะแ ล, แล้วก็แต่ว่าพอตอนที่ปฏิบัตินะคะช่วงที่เราคือช่วงที่ปรึกษากับพระอาจารย์ที่ว่าจุมติดสมถะเรื่องการนับเนี่ยคือเป็นข้อที่ที่มักจะติดอยู่เสมอแต่ว่าไม่ได้ติดอยู่ตลอดเวลาก็เลยนึกขึ้นได้เหมือนกันอ๋อเพราะว่าตัวเองเนี่ย ใช้พุโทโธในการพักคือเป็นคนนอนไม่ค่อยหลับดังนั้นยลางคืนเนี่ยจะใช้พุโทโธเพื่อการนอนซึ่งซึ่งฟุ้งซ่านเนี่ยมันประหลาดเวลากลางวันเนี่ยเราไม่ต้องการเอ่อฟุ้งซ่านเนี่ยมันจะทําเราหลับแต่กลางคืนมันทําเราตื่นกลับที น, นี้จุ๋มก็เลยต้องใช้พุโทโธเพื่อกําจัดฟุ้งซ่านตอนที่จุ๋มจะต้องการสมาธินในการหลับเพื่อให้หลับให้สนิทนะคะทีนี้มันก็คงติดมา กับเวลาที่เราต้องปฏิบัติธรรมแล้วก็มันยังมีจังหวะของการกําจัดฟุ้งซ่านด้วยวิธีนี้นะคะแต่ว่าสามารถเที่ยวนี้ก็สามารถที่จะ เ, เวลาที่เราจัดการกับความง่วงเราจะเห็นตั้งแต่มันมันไม่เมื่อยแล้วก็ลงมาแล้วก็เวลาบอกกับเขาดีๆให้มันผ่านไปมันจะเห็นว่ามันมันผ่านออกไปอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะสบายสบๆแล้วถ้าทําตรงนี้ ทำตรงนี้ได้บ้างสองสาครั้งแต่ว่าจะเห็นว่าเป็นกำลังคือประทัได้แล้วเนี่ยเราจะจะสามารถปฏิบัติต่อหลังจากนั้นได้ดีทีเดียวอย่างน้อยสิบห้านาทีคือจะจะรู้สึกว่าสบายๆจะแบบว่าเห็นคือไม่ค่อยฟุ้งซ่านมากมันไม่ค่อยคือฟุ้งซ่านมันสามารถไหลมาไหลไปได้นะแล้วก็การที่ ไปเห็นเห็นรู้จักตัวเองมากขึ้นว่าการที่เราคือความคิดของตัวเองไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นเนี่ยเวลาคิดเรื่องราวคือเรื่องราวแต่ความคิดของจุ๋มเป็นคนพูดกันในกระทั่งจุ๋มวางแผนงานก็เป็นการที่จุ๋มพูดอะไรสักอย่างให้ใครสักคนฟังว่าจุ๋มจะวางแผนงานอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยมันก็จะหลอกคือความคิดจุ๋มมันจะซับซ้อนมันจะหลอกพอสมควรว่าบางทีเราไม่ได้คิดนะเราวิธีพูดเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้คิดแต่ว่าจุ๋มเข้าใจมากขึ้นว่ามันคิดอยู่ การที่มันคิดเร็วขนาดนี้เนี่ยแล้วจิตเราคือความเพียรเราไม่พอหรือความตั้งมั่นของเราเนี่ยในการปฏิบัติไม่มากพอเนี่ยกำลังของสติเนี่ยอ่อนเนี่ยมันทำให้ความรู้สึกตัวขณะที่ปฏิบัติเนี่ยะกับความคิดเนี่ยะมันตีคู่จนแยกกันไม่ออกแล้วมันก็เลยทำให้เราเบลอเบลอเพลแล้วก็งอกดังนั้นเคยแปลกใจเสมอว่าตัวเองไม่ใช่คนช่างนอนคือชีวิตเนี่ย สารทิตย์ก็คือไม่มีเวลานอนนะฮะ ก, ก็ทําอย่างนี้แล้วก็เป็นคนอนอนน้อยก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะคะแต่ปฏิบัติธรรมทีไรนี่หลับได้หลับดีหลับเอาจริงเอาจังเป็นคือหลับจนเข็ดอ่ะคือถามว่าปฏิบัติธรรมจุมกลัวอะไที่สุดคือกลัวกลัวแก้แก้ง่วงนอยไม่ได้เราไม่ได้ปฏิบัติเพราะมัน <laughs> รู้สึกเป็นเรื่องยากสําหรับตัวเองเรื่องนี้นะแต่เที่ยวนี้ก็รู้สึกว่าแล้วก็ ที่พระอาจารย์อธิบายก็เข้าใจมากขึ้นว่าอ๋อก็อย่าไปสู้กับมันให้รู้เฉยเฉยดูมันแล้วก็รู้มันเฉยเฉยเนี่ยทำอันนี้ไม่เป็นอะคะ่ะก็แบบสู้ขุขักคุขักขุขักแล้วก็แพ้ทุกครั้งแล้วก็เสียกำลังใจก็มีมานะว่าวด้อยว่าเออเขาก็เห็นแสงสีเสียงอะไรต่ออะไรฉันก็ยังอยู่กับพี่ฉันจะปฏิบัติแล้วมันจะรอดไหมแล้วก็แบ เวลาทํางานมานะว่าแน่นะเวลาปฏิบัติธรรมมนะว่าด้อยไม่ใช่ข้อดีนะคะแต่ว่าได้ไดได้เห็นว่ามันมีเส้นทางการปฏิบัติธรรมที่ที่เราอาจจะมีคลิกเล็กๆที่จะทําให้เราโตรหรือก้าวหน้าขึ้นไปกว่านี้ได้ะคะ่ะสังเกตว่าระหว่างความฟุ้งกับความม่วงเนี่ยมันจะมาด้วยกันขั้นเลี้ยงนิวรณห้าเนี่ยตัว กามฉันทะคือความขี้เกียจกับตัวพยาบาทะความงุงหงินี่นะสองอย่างนี่มันจะมาด้วยกันคือไมายความคือตัวสบายมันไม่เที่ยงมันจะเป็นเป็นตัวไม่สบายใช่ไหมคือตัวงุนหงิตัวสบายคือกามฉันทะตัวไม่สบายก็คือตัวพยาบาทะมันจะมามันจะกลับกันไปกลับมาคู่นี้นะ แต่พ้นจากคู่นี้ไปเนี่ยระหว่างความง่วงกับความฟุ้งมันก็จะกลับกันไปกลับมาเพราะเพราะเวลามันฟุ้งสักเดี๋ยวมันจะง่วงพอง่วงแล้วพอหายง่วงมันก็มันก็จะฟุ้งพอหายฟุ้งมันก็จะง่วงกลับกัไปกลับกันมาตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นธรรมที่เป็นคู่ปรับกันเพราะฉะนั้นถ้าหาเราแก้ตัวใดตัวหนึ่งถ้าแก้ตัวฟุ้งได้ก็จะแก้ตัวง่วงได้ถ้าแก้ตัวง่วงได้ก็จะแก้ตัวฟุ้งได้ให้แก้ตัวใดหนึ่งวิธีแก้ก็คือทําให้มันชัดทําชัดๆัดคือหมายก็ว่าทําให้ ต้องย้ำสิ่งนั้นให้บ่อยๆมาไปฝรั่งเศสไปเจอไฟฉชายชนิดหนึ่งที่ออกมาจับหมุนนะแล้วมันจะสว่างเวลาอยู่หมุนก็อยู่สว่างที่เราอยากจะให้สว่างขนาดนั้นก็หมุนเร็วตามนั้นเอ อ, เอามาซื้อมาตั้งหลายอันนะฝากค น, น, นคนนี้แต่ปรากฏว่าอาการจิตของเราเนี่ยเราไม่รู้จกักวิธีปั่นเวลามันเวลามันมั น, มนเบลอมึนเมืออ่อนะวิธีปั่นทําไงก็คือหาทําเรื่องอื่นอย่าไปทําเรื่องที่มันเป็นอยู่นะ อย่าสมมุติเดี๋ยวจะให้ไปฉายมันสว่างข้างหน้าีไปหมุนข้างหน้าเนะถ้าหมุนทั้งกลนมันนไะอมีคันหมุนอยู่ใช่ไหมหมืนกคนมันไปสิบสว่างข้างหน้าเหมือนกันแต่เรารู้สึกง่วงเนี่ยเราก็ไปทําอีกเรื่องหนึ่งแล้วมันก็จะไปทําให้ไอ้ตัวนั้นหายก็ห <c oughs> า <c oughs> เรื่องมาคิดอย่างเด้งนีนน่เราก็บางทีถ้ารู้สึกว่าใกล้จะพ่แพ้ก็ลุกออกจากลานจงกรมเพื่อปรับเปลี่ยนโยบทสักแป๊บหนึ่ง เราค่อยกลับมาตั้งต้นใหม่ทำอย่างนั้นก็ได้เออนั่นน่นั่นะวิธีวิธีแก้ที่มหมายเขาว่าอย่าอยู่ตรงนั้นอยู่นั่นก็ออกมาทำอะไรสักอย่างแล้วกลับเข้าไปแล้วในจุดนี้หูจุ้มเองที่ว่าเป็นคนหลับยากต้องใช้ผู้โทรใช่ไหมก่อนตัวันนี้ต้องใช้อยู่หรือเปล่ายังใช้ค่ะเพราะหลับยากยจริงๆก็ตรงนี้พ่งคือเมือามาก็เป็นคนฟูงซ่านไม่บอกเหมือนกันสมัยก่อนนะหลับยาก สมัยก่อนถึงก็ใช้ยานอนหลับเนี่ยแต่ตอนหลังมาพอมาปฏิบัติแล้วรู้วิธีที่นี่รู้วิธีว่าเมื่อไรถึงเวลาล้มตัวนอนเราจะได้ปฏิบัติอาณาปนสติแล้วที่นี่เราไม่ได้คิดว่าเรานอนคิดว่าต่อไปนี้จะได้ปฏิบัติอาณาปนสติอาจากเมื่อก่อนเนี่ยนอนเป็นชั่วโมงกว่าจะหลับได้แต่มามันสั้นเข้ามาเดี๋ยวนี้นอนไม่ถึงนาทีกำหนดลงม่ใช่ไม่ถึงนาทีไปเลย อ่าอันนี้คือวิธีปฏิบัติอาณาปัศิในขณะนอนสําหรับคนฟุ้งซ่าน <c oughs> จะได้ผลดีมากเลย <c oughs> เดี๋ยวนี้ามานอนเมื่อไหร่จะหลับเมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยวนี้ <c oughs> กำลังลมหายใจปั๊บก็ไปเลยว่างั้นเนี่เป็นยาสะดวกไปทันทีเลยเอออันนี้ต้องลองไปทําดูนะ <c oughs> ถ้าเป็นพุโทโธมันเป็นสัญญาแล้วมันจะติด <c oughs> แต่ถ้าเป็นอานาปาร์นี่มันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วเราไม่ต้องนึกเพียงแต่ใส่ใจลงไปเข้าออกอ่าถ้าหากว่าเรานอนไม่หลับเราก็ได้ปฏิบัติอนานาปาร์ ถ้าได้หลับไปโดยธรรมชาติก็เป็นเรื่องของอได้พักผ่อนเท่านั้นเองมันได้ทั้งขึ้นทั้งลองอะ่ะแต่ในกรณีที่ดูลงหายใจแล้วมันก็ยังฟุ้งอยู่นี่ทำไงลูกขึ้นมาเดินยงกลุ่มอ่าจนกระทั่งว่ามันทำท่าจะนอนแล้วก็ไปนอนจ่อยนิดเดียวเข้าใจนะ